พุทธธรรมฉบับปรับขยายภาคที่สาอริยธรรมวิถีทางดำเนินเพื่อเข้าถึงธรรมะของอริยชนหรือวิถีชีวิตของคนมีอริยธรรมปัพพยาเอการชนะัชเณสัก ข, ขาาัสสักมะเนนะวาสัพพโลกาทิปัจเจนะโสตตปฏิพลังวารัง เลิศล้ำเหนือความเป็นเอกราชบนพื้นปัตภีดีกว่าการได้ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ประเสริฐกว่าสัพพโลกาทิปัดคือผลการตัดถึงกระแสโพธิธรรมตอนว่าด้วยชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่18บทความประกอบที่หนึ่งชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอริยชน ปัจจุบันนี้ความเข้าใจและความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอาหารหันต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากการมองนิพพานดยฐานเป็นเมืองแก้วแห่งบ ร, รงมสุขนิรันดร อ, อย่างในสมัยโบราณได้กลายไปเป็นความรู้สึกว่าหมดสิ้นขาดสูญยิ่งมาเหินห่างจากคำสอนของพุทธศาสนาและถูกความนิยมรนเปลืทางวัตถุซ้ำเข้าอีกคนยุคปัจจุบัน ก็เลยมักมีความรู้สึกต่อ น, นิพพานในทางลบเห็นเป็นภาวะที่พึงเบือนหรือผะหนีอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเละเกินซึ่งไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในสภาพเช่นนี้นอกจากจะต้องพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิพพานที่เกิดขึ้นแล้วมีภูมิธรรมระดับหนึ่งที่ควรช่วยกันชักจูงคน ให้หันมาสนใจคือความเป็นโสดาบันซึ่งเป็นอริยบุคคลระดับต้นหรือสมาชิกกลุ่มแรกในชุมชนอริยะความจริงความเป็นโสดาบันนี้เป็นสิ่งที่ควรสนใจไม่เฉพาะในระหว่างที่กาลังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานและความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแม้ตามปกติก็เป็นข้อที่ควรเน้นเสมออยู่แล้ว แต่มักถูกละเลยหรือมองข้ามกันไปเสียที่กล่าวว่าความเป็นโซดาบัณ์ก็ดีภูมิธรรมและการดาเนินชีวิตระดับนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเน้นกันให้มากนั้นแม้พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าชนทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคาสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติหรือสาโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองคุณของโสดาบันสีประการจากสังยุตตนิกายมหาวารวักองคุณที่จะทำให้เป็นโซดาบันมาจากคำโซดาปฏิยังคะแปลาตามรูปศัพท์ว่าองค์เครื่องบรรลุโซดา บางแห่งหมายถึงธรรมะที่ทำให้บรรลุโสดาปติผลบางแห่งหมายถึงธรรมะที่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันภาวะและชีวิตของพระโสดาบันไม่ห่างไกลและไม่น่ากลัวเลยสำหรับปุถุชนทั้งหลายแม้ในสมัยปัจจุบันกลับจะเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนด้วยซ้ำ พุทธสาวกโสดาบันจำนวนมากมายในพุทธกาลเป็นข้ารืหัดดำเนินชีวิตที่ดีงามชอบด้วยศีลธรรมอยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลกมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแก่พระศาสนาและแก่บ้านเมืองมีชีวประวัติที่น่ายึดถือเป็นแบบอย่างท่านเหล่านี้แม้จะได้บรรลุภูมิธรรมสูงแล้วแต่ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่ เมื่อประสบความพลัดพรากยังโศกเศร้าร่ําไห้เช่นเรื่องหนังวิสาขาเป็นต้นยังมีรักมีโกรธดังสามัญชนแต่ละเมียดเบาบางกว่าและจะไม่ทําความชั่วความผิดที่เสียหายร้ายแรงและความทุกข์ที่เหลืออยู่นั้นก็มีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทุกส่วนใหญ่ที่ละได้แล้วเป็นผู้มีพื้นฐานอันมั่นคงที่จะนําชีวิตของตนเดินทางก้าวหน้าไป ในมรรคาแห่งความสุขที่ไร้โทษและกุศลธรรมที่พายบณ์พุทธสาวกโซดาบันที่พึงออกชื่อเป็นตัวอย่างแสดงหลักฐานไว้หน้าที่นี้เช่นพระเจ้าพิมพิาสารกษัตริย์ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคตผู้ทรงถวายเวลุวันเป็นสังขารรามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและทรงรักษาอุโบสถเดือนละสี่ครั้ง อนาถาบินทิกะเศรษฐีเจ้าของทุนสร้างวัดเชตวันที่มีชื่อเสียงผู้บำรุงพระสงฆ์และสงเคราะห์คนอนาถายังไม่มีใครอื่นเทียบเท่านางวิสาขามาหาอุบาสิกาเอตตทักค ะ, ทะฝ่ายทายิกาผู้แม้มีบุตรธิดามากถึงย0สิบคนแต่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี มีบทบาทช่วยกิจการของสงฆ์อย่างสำคัญเป็นผู้กว้างขวางและมีเกียรติคุณสูงเด่นในสังคมแคว้นโกศลหมอชีว ก, กโกมารพัฒแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ราชาแห่งมคตประจำพระองค์พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ผู้มีเกียรติคุณย่างยืนตลอดมาในวิชาแพทย์แผนโบราณคำว่าชีวก จะอ่านวชีวะกะแบบบาลีก็ได้นะครับนกุ ล, ลบิดาและนกุลมานดาคู่สามีภรรยาผู้ครองรักอันพักดีมั่นคงตราบชราและยังปรารถนาเกิดพบกันทุกชาติไป